Oh. ตุ ว, วันนี้การเจริญสตนะิได้รับความสนใจจากผู้คนมากนะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะแล้วก็ไม่เฉพาะในหมู่ชาวพุทธนะแต่ว่าแพร่ขยายไปสู่คนในวงการต่างๆมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะในตะวันตกการเจริญสติไม่ได้จํากัดอยู่ในวัดหรือว่าในสํานักปฏิบัติธรรม แต่ว่ากระจายไปสู่โรงเรียนสถาบันการศึกษาแม้แต่โรงเรียนระดับประถมเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะในตัวันตกนี่เขาก็แนะนำให้นักเรียนนะรู้จักการเจริญสติในแวดวงธุรกิจเนี่ยก็มีการชักชวนคนในองค์กรให้มาเจริญสติกั น, นเวลาจัดคอร์ส จินสติโอ้มีคนมาเข้าร่วมเยอะหลายแห่งหลายที่องค์กรใหญ่ๆนี่โดยเพพาะที่เกี่ยวกับ IT ทีหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยแล้วก็มีสถานที่จำเพาะเลยนะสำหรับการจรินสติในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอันนี้เราไปถึงในโรงพยาบาลนะแล้วก็ในองค์กรเกี่ยวกับเรื่อง ภาคบริการสังคมเนี่ยเจตสติมันไม่ใช่เป็นคำที่ดูห่างไกลหรือว่าภู่มเฟยแต่มันกลายเป็นความสำคัญขึ้นมาสำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงานอันนี้มันแตกต่างจากเมื่อ 30-40 ิปีก่อนมากไม่เฉพาะในต่างประเทศรือในเมืองไทยด้วยในความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี่นะ ส่วนหนึ่งก็เป็นคุณุปการนะของท่านติณฑันน ะ, ะท่านติณฑันเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ทําให้การจดสติเนี่ยมันกลายเป็นติวปัจจัยที่ห้านะของผู้คนในยุค ป, ปัจจุบันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตอนที่เมื่อคนได้ทราบว่าท่านนะมรณภาพเนะี่ยเมื่อวานนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ ไปทั่วโลกเลยทีเดียวก็ราเป็นการสูญเสียที่สำคัญแต่ชีวิงท่านนี่ก็ได้ให้สิ่งดีงามมากมายนะกับมนุษยชาติมากมายหรือประมาณมากกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะอย่างเทียบกันไม่ได้ต่อมาก็โชคดีนะที่ได้มีโอกาสรู้จักคำสอนของท่าน รมทั้งได้มีโอกาสได้พบท่านนะตั้งแต่ยังเป็นใบรุ่นนะ1 8บเนี่ยเรียกว่าคำสอนข้อธรรมและจริยวรรมรวมทั้งการทำงานของท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยมันก็ได้มีที่ผลต่อชีวิตของอาตมาไม่น้อยเลย โดยเพราะการชักนำให้มาสนใจเรื่องการภาวนาอย่างจริงจังรวมไปถึงการทำงานเพื่อสังคมด้วย ต, ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นยังเรียนไม่จบนะจากชั้นมัธยมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็สนใจพุทธศาสนาอยู่แล้วนะเพราะได้อ่านงานของทธธา่านจากพุทธทาสแล้วก็อีกหลายท่านอันนี้ ไม่สงสัยนะในคุณค่าของพุทธศาสนาต่อการสร้างความเจริญงอกงามในจิตใจแต่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยซึ่งตอนนั้นกําลังไฟแรงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงก่อน14ตุลาแล้วก็หลัง14ตุลาใหม่ๆเรียกว่าเกิดความตื่นตัวทางการเมืองก็คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคม และพอนึกถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมก็นึกถึงนะความจําเป็นที่จะต้องใช้กำลังอาวุธนะต้องถึงขั้นโค่นล้มกันเลยเรียกว่าเป็นการปฏิวัติอันนี้มันก็จะมีอิทธิพลจากนะอุดมการนะทางการเมืองนะแบบสังคมนิยมซึนะ่งตอนนั้นก็แพร่หลายมากในหมู่คนหนุ่มสาวแต่ตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมาสงสัยนะว่า เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีมีสันติสุขเนี่ยเราใช้วิธีการที่รุนแรงโค่นล้นทำร้ายได้อย่างไรก็เลย ม, มาสนใจนะการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยสันติวิธียิ่งมาได้เรียนรู้น ะ, ะการเคลื่อนไหวของท่านมาตมคันทีเนี่ยซึ่งสามารถที่จะนําพาอังกฤษนําพาอินเดียให้ เ, เป็นอกีกเอกราชจากอังกฤษได้นี่ก็หันมาสนใจ การต่อสู้ด้วยสันติวิธีหรืออ้หิงสารแต่ว่ามาธรมะคันธีเนี่ยก็เป็นบุคคลที่กลายเป็นอดีตไปแล้วการต่อสู้ทางการเมืองของขอบวนการของท่านมันก็ผ่านพ้นไปแล้วไม่ใช่เป็นปัจจุบันแต่ว่าพอได้รับรู้นะถึงเรื่องราวของท่านทิดนัทหัน แล้วกระบวนการช็อพูดในเวียดนามเนี่ยก็ทําให้หันมาสนใจสันติวิธีหรืออหิงสามากขึ้นเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ใกล้ตัวและมันก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่เพราะตอนนั้นเนี่ยมันยังมีสงครามเวียดนามอยู่นะยิ่งได้ฟังเรื่องราวได้อ่านเรื่องราวของท่านแล้วเนี่ยก็เกิดความประทับใจจำได้ว่าบทความชิ้นแรกของท่านเนี่ยที่อ่านเนี่ยตอนอายุสเนี่ย คือ เ, เรื่องปฏิบัติการแข่งความรักชื่อก็ดูแต่ตาเนะีปฏิบัติการแห่งความรักเป็นเรื่องราวของขอบวนการชาวพุบบทธในเวียดนามนะที่ใช้สันติวิธีและหิงสานะในการเรียกร้องสันติภาพซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากับรัฐบาลแต่ว่าขบวนการชาวพุบบทธในเวียดนามเนี่ยโดยพ่อท่านที่ท่านติดอาถพเป็นผู้นำเนี่ยก็ใช้พุทธวิธีนะใช้ อหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็พบว่ามันมีพลังนะที่จะดุดยังการกระทำบางอย่างของรัฐบาลได้จนกระทั่งบางทีเนี่ยถึงกับโค่นลมรัฐบาลได้เลยเนะพราะรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยเขาก็ส่งเสริมสันอ่าส่งเสริมสงครามนะมีนโยบายสาับสนการทําสงครามกลางเมืองเพื่อปราบปรามคอมมิว น, นิสต์แล้วก็บางครั้ง บางรัฐบาลก็มีนโยบายกดขี่บีทาชาวพุทธด้วยเพราะว่าประธานาธิบดีนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยดยชาวในเวียดนามก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแต่ไม่ได้วางเฉยก็ลุกขึ้นมาเพื่อประท้วงรัฐบาลแล้วิธีการที่ใช้ก็เป็นพุทธวิธีเลยนะคือใช้ความกรุณาใช้อหิงสานะไม่มีการทําลายข้าวของไม่มีการ ใช้กำลังรุนแรงแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า ม, มีพลังนะมีพลังที่สามารถที่จะก่ อ, ะอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็ทำให้นัตมาได้หัวนคิดว่าพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมเนี่ยมันไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของค น, งคนเราเท่านั้นนะแต่มันสามารถจะเป็นสามารถจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ มันสามารถที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนในสังคมอย่างที่พึงปรารถนาได้ก็เริ่มก็เลยเริ่มที่จะทันมานให้ความสนใจกับพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เข้มทิตนะในการทำงานเพื่อสังคม ยิ่งฟังได้อ่านเรื่องราวของท่านติดอนันต์กกับขบวนการท่านก็ยิ่งประทับใจนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านและขบวนการทำเนี่ยนะซึ่งรถแต่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยทั้งเป็นนักบวชแม่ชีและคาราวารเนี่ยไม่ใช่แค่เอาแต่นะต่อต้านรัฐบาลหรือประท้วงอย่างเดียวแต่ว่าทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะาาภัยสงครามด้วยเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยสงครามมันยืดเยื้อถึง30ปีนะ คนก็ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพลัดทินาใครที่อยู่เป็นจํานวนมากท่านธินิธรนี่ก็ฤิเริ่มเลยนะชักชวนคนหนุ่มสาวนี่มาทํางานเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์คนทุกข์ยากตอนนั้นท่านเป็นผู้บริหารหมหาเทไหลนะหมหาเทไหลวันหันเป็นหมหาเทไหลพุทธในเมืองเวที่ท่านก็รู้จักคนหนุ่มสาวเยอะก็ชักชวนมาทํางานเพื่อสงเคราะห์ คนเหล่านี้ที่ทุกข์ยากฉันตั้งโรงเรียนนะช่วยโรงเรียนเยาวชนเพื่อบริการสังค ม, มเป็นโรงเรียนแบบใหม่นะที่ไม่ได้สอนเฉพาะพุทธศาสนาแต่ว่าชักชวนให้ผู้คนเนี่ยได้ออกไปช่วยเหลือคนทุกข์คนยากซึ่งก็อันตรายไม่น้อยนะเพราะว่าหลายที่หลายแหมันก็เป็นสมรภูมิเป็นเขตสีแดงมีการต่อสู้กันกับ ระหว่างคน2ฝ่ายแต่คุณนุ่มสาวเหล่านี้ก็เรียกว่าไม่ยอ่อทอนะแม้ว่าอันตรายแต่ก็พร้อมจะเสี่ยงภัยนะเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากเดือดร้อนตอนที่แรกก็ได้รับการสรรับสนนดีนะแต่ต่อหลังก็ได้รับความหวาดระแวงรัฐบาลก็มองว่านี่เป็นสายคอมมิวนิสต์เป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ส่วนคอมมิวนิสต์ก็มองว่านี่เป็นแนวร่วมหรือสายรัฐบาลั้น บอกว่าใ น, นสุดเนี่ยลูกศิษย์ของท่านหลายเนก็ถูกลอบฆ่าถูกจับตัวไปฆ่าโดยฝ่ายรัฐบาลมัง้งโดยฝ่ายคอมมิวนิสต์มัง้งแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้โกรธเกลียดคนเหล่านั้นได้นะแล้วท่านก็สอนให้ลูกศิษย์เนี่ยนะให้อภัยคนที่ฆ่าเพื่อนของเขาแล้วท่านย้ําอยู่เสมอว่าศัตรูของเราไม่ใช่มนุษย์นะ แต่เป็นความโกรธความเกลียดนะความหลงความไม่รู้ซึ่งไม่สามารถจะใช้กําลังอาวุธกําจัดเรายิ่งใช้ความโกรธความเกลียดเข้าไปตอบโต้มันก็ยิ่งเพิ่มนะความเพิ่มมากับการเติมน้ามันเข้าใส่กล่องไฟมันก็ยิ่งโหมกระพือความโกรธความเกลียดจะรุนแรงขึ้นจะกําจัดเอาชนะความโกรธความเกลียดต้องใช้ความเมตตา ก็เป็นเรื่องที่ยากนะที่จะให้อภัยคนที่ฆ่าลูกศิษย์ของตัวหรือฆ่าเพื่อนพ้องน้องพี่ของตัวได้แต่ท่านตินทหานก็เป็นแบบอย่างนะของผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณามากท่านสามารถจะให้อภัยคนเหล่านั้นแม้จะเศร้าโศกเสียใจเพียงใดก็ตามแล้วก็สามารถที่จแนะนําให้ ลูกศิษย์ลูก้าเนี่ยนำเอาคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมาเยียวยาจิตใจท่า น, นเขียนบทละครบทเล่มเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อทางกลับคือการเดินทางต่อพูดถึงลูกศิษย์ของท่านที่ถูกฆ่าแต่ในบทละครนั้นเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยทั้งที่รู้ว่ากำลังจะถูกฆ่าก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคนที่กําลังจะเปิดชีวิตของพวกเขาเลยเพราะว่าเขามีความรัก มีเมตตากรุณาและไม่กลัวความตายเนี่ยมันเป็นบทละครที่ดีมากพวกเราเนี่ยเพื่อนๆในเมืองไทยได้อ่านแล้วก็าซาบซึ้งประทับใจเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่พวกเราคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังสแสวงหาทางออกของบ้านเมืองเนี่ยนะก็มีท่านติณธันนาลัตที่ท่านจุดประกายให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะ คิดเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไรเนี่ยความรักความเมตตานะความกรุณานี่แหละนะที่มันจะเป็นอ่าเป็นประทีปนะที่จะนำพาเราไปสู่การสร้างสรรสังคมที่ดีงามที่มีสันติสุขได้นั้นตอนที่ทหารก็เลยเป็นก็คายเป็นไอดอลนะของพวกเราคนหนุ่มสาวในเวลานั้นซึ่งก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆนะ คนหนุ่มสาวจำนวนมากนี้เขาก็เชื่อในเรื่องของการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนะแต่พวกเราเนี่ยเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้คำตอบได้มันไม่ใช่แค่ให้คำตอบในทางจิตใจแต่ว่ามันสามารถที่จะให้คำตอบในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ก็เป็นครั้งแรกนะที่พบว่าพุทธศาสนาเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการภาวนาเพื่อสันติสุขภายในนะแต่ว่ามันสามารถจะแปลเป็นปฏิบัติการทางสังคมหรือปฏิบัติการทางการเมืองได้มันไม่ได้แยกกันนะว่าเนี่ยเรื่องเปลี่ยนแปลงภายในต้องอาศัยพุทธศาสนาแต่เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงสังคมต้องอาศัยมาร์กซิสหรือว่าคอมมิวนิสต์นะเป็นคาตอบคนที่ทาให้พวกเราเนี่ ย, ว, ยวัตถามานี่เห็นเลยนะพุทธศาสนาเนี่ย มันเชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในและแปลออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมภายนอกเนี่ยก็คือท่านติดนัันนี่แหละก็เลยเป็นไอดอลนะของพวกเราแล้วธรรมาก็ดีใจมากนะตอนที่ได้พบท่านครั้งแรกเนี่ยที่เชียงใหม่นวัดผาราดปี18จําจำได้ตอนนั้นเนี่ยพอสอบ entrance วิชาสุดท้ายเสร็จนี่ ก็กลางคืนนี่ก็นั่งรถขึ้นเชียงใหม่เลยไปที่วัดผาลาดตั้งที่ไม่รู้ว่าวัดผาราดอยู่ไหนเพราะว่าตอนนั้นก็มีการประชุมประชุ ม, มเรียกว่าอาสมแปซิฟิกมีการเชิญคนหนุ่มสาวจากในทวีเอเชียนี่มาประชุมกันท่านติระฐานก็ได้รับนิมนต์ให้มาคล้ายๆเป็นวิทยากรด้วยนะ ตอนนั้นก็มีท่านเจ้าคุณพระราชวารมุนะีซึ่งก็เป็นที่เคารพของธมานั่งรับนิมนต์มาร่วมประชุมด้วยอาจารย์สุรลักษณ์สิวรลักษณ์อาจารย์กรุณากุาสลาใสก็ดีใจนะไปภ่าราก็ได้พบท่านติดนั่งทันกับลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งนะตอนนั้นเป็นคาราวาชื่อว่าเกางอกฝึิงนะเป็นผู้หญิงนะต่อหลังก็เป็นพิสุณนะีที่เป็นสิทธิ์กายชีกของท่าน ได้เห็นท่านนะประทับใจพระท่านสงบนะส ง, งบพูดน้อยแต่ว่าเย็นนะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนในการนั่งฟังนะไม่ได้เป็นคนช่างพูดหรือว่าที่จะสอนคนนะตลอดเวลาตอนนั้นได้พบท่านอีกทีที่กรุงเทพตอนนั้นท่านก็เป็นห่วงบ้านเมืองมากนะเพราะว่าเวียดนามนี่มันกำงสางอนใกล้จะแตกแล้ว อาสมประสิฟิ์จัดเดินมีนาพอเดินพุทธสภานี่ใส่งานก็แตกนะมองในแง่ดีคือสงครามก็ยุติอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ช่วงต้นๆ น, น, นะที่ได้เกี่ยวข้องกับท่านติดอันันซึ่งอย่างที่บอกน่ยในแง่นี่ก็ทำให้เห็นว่าพพุทธศาสนาเนี่ยหรือพุทธธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ ภายในจิตใจยอย่างเดียวไม่ใช่ เ, เรื่องของปัจเจกบุคคลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของมันมีมิติด้านสังคมที่เราไม่ควรจะมองข้ามถ้าเราตนใจพุทธศาสนาเราก็สามารถที่จะนำเอาหลักธรรมเนี่ยมาใช้ในการทำงานเพื่อสังคมได้ยิ่งทำงานเพื่อสังคมมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องมีความหนักแน่นมั่งคนในจิตใจ อย่างที่ท่า น, นติณนได้แสดงให้เห็นนะว่าเนี่ยยิ่งท่านทำงานเพื่อสังคมมากเท่าไหร่พยายามที่จะช่วยเหลือคนเดือดร้อนมากเท่าไหร่พยายามที่จะสร้างสันติภาพในเวียดนามากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งถูกกระทบมากแต่ว่าแม้จะถูกกระทบเพียงใดเนี่ยจิตใจก็ไม่รุ่มร้อนโกรธแคนหรือว่าทอ้อแท้เพราะว่าท่านมีความหนักแน่นมั่นคงในจิตใจอันนี้ก็คือเป็นผลของการภาวานานั่นเอง มันก็ยิ่งทําให้คนหนุ่มสาวหรือฉพตะตมาเห็นเลยนะว่าเนี่ยถ้าเราจะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยเรื่องความมั่นคงหนักแน่นในจิตใจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และนี่ต้องใส่การภาวนาก็เลยทำมาสนใจการภาวนามากขึ้นท่านทั้งมาสนใจการเจริญสติมากขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยนะมีหนังสือเล่มหนึ่งของท่านเพิ่งออกมาใหม่ๆแล้วก็อาจารย์สุลักษณ์เนี่ยก็แนะนําให้ ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยแปลภาพลูกนั้นคือพระประชาประสันธรรมโมนั่นก็นแปลหนังสือเรื่องแปลเป็นไทยว่าปฏิหาริงการตื่นอยู่เสมอ น, นตมาเนี่ยได้เห็นหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ยังเป็นลายมือเขียนนะภาษาไทยที่เห็นเพราะว่าต้องพิมพ์ดีดนะต้นฉบับลายมือภาษาไทยเนี่ยเพื่อจะได้ส่งลงพิมพ์เนี่ย เพราะนั้นเนี่ยนอกจากคนแปลแล้วเนี่ยตมานี่ก็เป็นคนแรกที่ได้อ่านต้นฉบับนะก็ว่าได้นะเป็นคนแร ก, แรกเพราะว่าต้องพิมพ์กับมือเลยนะโอ้ใช้เวลาพิมพ์หลายวันนะเพราะอ่าอัตมาที่เป็นคนที่พิมพ์หนังสือเร็วนะก็ เ, ะเลยได้รับมอบหมายพิมพ์ต้นฉบับเนี้นะพิมพ์ไปด้วยอ่านไปด้วยก็เกิด ค, ความประทับใจนะว่าโอ้ใหการจุลสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนเลยนะมันสามารถที่จะ ทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเริ่มตั้งแต่การกินนะกินยังมีสตนะิเดินยังมีสติอาบน้ำยังมีสติสูฟันยังมีสติแล้วทำให้เข้าใจนะครว่าตื่นเนี่ยนะถ้าไม่มีสตินี่ก็ยังไม่ตื่นนะที่แรกมันก็แปลกนะปฏิหารแห่งการตื่นรู้แห่งการตื่นอยู่เสมอสมัยนี้จะมีคาว่าตื่นรู้นะมีแต่คำว่าตื่นนี่เราหลับหรือเนี่ยไม่มีสติคือหลับ ถ้ามีสติมีความสืบตัวเมื่อไหร่คือตื่นตอาลังพรภาวนาเข้าก็เออก็เห็นจริงนะหนังสือเล่มนี้นี่ก็กลายเป็นที่เราคัมพีก็ได้ของคนหนุ่มสาวที่สนใจการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะว่าเป็นการเชื่อเห็นว่าเนี่ยต้องกลับมาทํางานด้านในกับตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันจึงจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่เรียกว่าต่อเนื่องนะไม่หยุดกลางคันแล้วก็ไม่เฉยใช้ ออกนอกทางพอสงคารามเวบญนาวิติเนี่ยนะมันก็มีข้อวิตกแล้วนี่ยสงครามมันจะแพร่มาอย่างเมืองไทยนะก็เป็นทีวิตตกกันมากคนนุ่มสัยพวกเราก็วิตกเหมือนกันท่านติดทหารท่านก็เป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่สงคารามเวบญนาวิติเนี่ยมันก็เลยมีการติดต่อสื่อสารกันนะอาตมาเนี่ยนอกจากได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารทานติดทหาทางจดหมายแล้วเนี่ย ตอนหลังนี่ก็มีโอกาสได้ไปพบท่านและได้ไปอยู่กับท่านด้วยนะที่ประเทศฝรั่งเศสปีสองูเนี่ยได้เดินทางไปอเมริกานะไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องสันติวิธีขากลับเนี่ยก็กลับมาทางยุโรปก็ถือโอกาสเนี่ยไปเยี่ยมท่านติดอัฐ์ที่ชุมชนของท่านนะตอนนั้นยังไม่มีหมู่บ้านพรมนะ ชุมชนท่านเป็นชุมชนเล็กๆถ้าจะว่าไปจะเรียกว่าเป็นชุมชนคงไม่ถูกนะเป็นบ้านมากกว่าเพราะว่ามีคนอยู่ไม่กี่คนคือฟองหวานนะฟองหวานก็แปลว่ามันเทศหวานเมื่อไอยู่กับท่านกับเพื่อนคนหนึ่งนะที่เดินทางไปด้วยกันนะวีระสมบูรณ์นะซึ่งตอนนี้ก็เป็นคณะบดีอยู่ที่มายาลัยลังสิกถ้าจาไม่ผิดนะตอนนั้นเนี่ยท่านจินตหันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงทั่วโลกอย่างทุกวันนี้นะ ที่จริงยังพูดไม่ถูกเรียกว่ายังไม่มีสิทธิ์ทั่วโลกอย่างทุกวันเนี้ะฉะนั้นก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านที่มีการสนทนาธระทกับท่านได้มีการพูดคุยกันเรื่องทํำยังไงจะให้เมืองไทยเนี่ยนะหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองได้อย่าไม่เกิดขึ้นอย่างที่เวียดนามตอนนั้นได้มีการพูดคุยกับท่านได้มากนะเพราะว่าท่านก็ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้ตั้งตั้งคณะสงฆ์นะ อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่กับท่าน 4-5 หวันนะกว่ว้ได้กลับเมืองไทยพอได้บวชอีกทีนะพอได้บวชก็ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมท่านอีกทีแต่เขาที่ไปที่หมู่บ้านพรัมละ14ปีให้หลังโอ้คนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าท่านเป็นที่รู้เริ่มเป็นที่รู้จักนะโดยพ่อเมื่อท่านเขียนหนังสือเรื่อง Being Peace แล้วก็ peace is, is every step ซึ่งมีคนแปลว่าเนี่ยสันติภาพทุกอย่างก้าวหนังสือเล่มนี้มันทำให้คนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในวงการพุทอย่างเดียวนะคนที่ไม่นับถือพุทธเนี่ยหรือไม่มีาศาสนาเลยเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของการเจริญสตินะแล้วพะว่าสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะมันมีอยู่แล้วในทุกอีเีย บ, บทในทุกจังหวะ ก, ก้าวของชีวิต นะถ้ารู้จักมองรู้จักปฏิบัตนะิก็ทำให้ท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตอนหลังก็เลยมีคนมาบวชกับท่านมากมายเพราะว่าท่านได้ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาคณะสงฆ์เทียบหินซึ่งก็ตัวนี้ก็มีคณะสงฆนะ์ของท่านที่เมืองไทยด้วยหมู่บ้านพรามเหมือนกัน ท่านตินทานเนี่ยท่านมีวิธีการสอนที่ที่เรียกว่าไม่เหมือนใครนะเพราะว่าเอาคำสอนที่ลึกซึ้งทางพุทธศาสนาเนี่ยมาทำให้ง่ายและจุดเด่นอย่างหนึ่งของท่านคือท่านให้ความสำคัญกับเรื่องความสงบความสุขพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่ที่สอนกันเนี่ยมักจะพูดเรื่องความทุกขน์นะแต่ว่าท่านติณทานเนี่ยท่านจะเอาเรื่องความสุขที่ชื่อว่าสันติสุขหรือความสงบเนี่ย เามาเป็นจุดเด่นเพื่อทําให้คนเห็นว่าเนี่ยแต่และคนนี้สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้อยู่แล้วได้ทุกเวลาได้ทุกขณะอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่นะก็พบความสุขภายในได้เมือนนั้นแล้วเมื่อพบความสุขภายในแล้วเนี่ยก็ต้องทําอะไรให้เกิดความสงบสุขภายนอกด้วยถ้าเป็นคนที่ชื่อเห็นว่าเนี่ย ความสงบภายในกับความสงบของสังคมเนี่ยหรือสันติสุขในสังคมเนี่ยแยกจากการไม่ออกถ้าเราปรารถนาสันติสุขในสังคมก็ต้องรู้จักเข้าถึงความสงบหรือสันติสุขภายในเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทํา ง, งานเพื่อสังคมและขณะเดียวกันเนี่ยจะเข้าถึงแต่เมื่อได้พบความสงบภายในแล้วเนี่ยจะนิ่งดูได้ต่อความทุกอย่างของผู้คนเนี่ยไม่ถูกนะต้องออกไปเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วย เพราะ น, นเรื่องภาวนากับการทำงนานเพื่อสังคมน่จึงไม่แยกจากกันแล้วคำสอนท่านจะเชื่อถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนขัดแย้งกันอยู่เสมอนะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเนี่ยดอกไม้เนี่ยนะกับขยะนี่แยกจากกันไม่ออกนะเพราะดอกไม้เนี่ยเมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งมันก็กลายเป็นขยะและขยะเนี่ยถ้า ในท่สุดเนี่ยมันก็จะเกาะเกิดเป็นดอกไม้เพราะขายะมันกลายเป็นปุ๋ยให้ดอกไม้จเจริญงอกงามอันนี้เป็นอิทธิปัจจยตานะที่จะอธิบายแบบง่ายๆรวมทั้งเชื่อเห็นว่าเนี่ยทุกสิ่งนะมันประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ใช่มันอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยก็เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่เก้าอี้เนกะ้าอี้เกิดจากอะไรเก้าอี้เกิดจากไม้เก้าอี้เกิดจากตะปูเก้าอี้ e เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าช่างไม้ ทั้งไม้ก็ดีทั้งตะปูก็ดีทั้งกาวก็ดีหรือว่าช่างไม้เนี่ยไม่ใช้เก้าอี้แต่พอมีสิ่งที่ไม่ใช้เก้าอี้นะเก้าอี้จึงเกิดขึ้นนี่ท่านสอนเรื่องอนัตตาแล้วสอนใ ห, ให้รู้ว่าเนี่ยตัวเก้าอี้ไม่มีนะตัวตนของเก้าอี้แ ท, แท้แท้ไม่มีนะมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช้เก้าอีนะ้ซึ่งก็คือสรรพสิ่งนะเพราะว่าไม้ก็ดีก็เกิดขึ้นได้พอมี ฝนฝนเกิดขึ้นได้พ่อมีเมฆเมฆเกิดขึ้นได้พ่อมีพระอาทิตย์เพรามองเก้าอี้เนี่ยก็จะเห็นถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก้อนเมฆมองมาที่ตัวเราแต่ละคนก็จะเห็นจั ก, กรวาลทั้งจั ก, กรวาลเพรา ะ, ะนั้นเราเนี่ยก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่เราอันนี้เป็นการมองความจริงแบบพ้นภาวะที่เราทวิภาวะซึ่งเป็นการมองที่ลึกซึ้งมากในพุทธศาสนาที่เห็นถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง และถ้ามองอย่างนี้ก็จะพบว่ามันไม่มีตัวตนของสิ่งใดเลยสิ่งใดไม่มีตัวตนที่แท่งแท้เพราะมันล้วนแต่เกิดจากสิ่งอื่นอันนี้คือเรื่องอนัตตาเนี่ยท่านสอนนะด้วยใช้ภาษาที่ไพเราะและอุปมาที่เข้าใจง่ายที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาและจนกระทั่งทำให้เห็นว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยกับความตื่นรู้หรือการพ้นทุกข์นี่ก็ไม่ได้แยกจากกัน ทุกข์กับความพ้นทุกข์นี้ไม่ได้แยกจากกันเลยอันนี้ท่านพูดเป็นอุปมาว่าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะโนมัสโนโลตัสไม่มีคโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวนะมีดอกบัวได้เพราะมีคโคลนตมอันนี้เป็นอุปมานะคโคลนตมคือความทุกข์อาจจะรวมถึงกิเลส ด, ด้วยก็ได้ดอกบัวคือดอกบัวคความตื่นรู้นะความรู้แจ้งจะรู้แจ้งได้ก็เพราะต้องอาศัยความทุกข์ นะถ้าไม่มีความทุกข์นะก็ไม่มีความรู้แจ้งความรู้แจ้งคืออะไรก็คือความพ้นทุกข์ความทุกข์กับความพ้นทุกข์หรืออิสระจากความทุกข์จึงไม่ได้แยกจากกนันนี่เป็นคําสอนที่ลึกซึ้งมากนะแต่ว่าเข้าใจได้ง่ายอันนี้เป็นเอกลักษณนะ์ของท่านติณฑ์หันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่คําสอนและที่สําคัญคือชีวิตของท่านเนี่ย สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้เป็นจำนวนมากและทำให้เกิดกระแสใหมนะ่ในวงการพุทธศาสนาซึ่งทมาเชื่อว่าก็คงจะมีผลยั่งยืนไปอีกนานทีเดียวอันนี้ก็เล่าเอาไว้นะว่าท่านจิตตหันเนี่ยได้มีที่ผลอย่างไรบ้างกับผู้คนโดยเฉพาะนะกับคนหนุ่มสาวยังอัตมาจนทามาถึงทุกวันนี้ชาญิพุทธนีนะกราบพระ